โอ้ oh, คนนึ่งนั่งสมาธิมาเสกิจที่ข้างก็ได้ยังไงเพราะ <laughs> <laughs> น, นันว่าหลวงพ่อทำไงไม่นอนเดี๋ยวก็แย่สิ เ, เดี๋ยวนอนตอนนี้นั่ง น, นั่นเวลาที่ไปเครื่องเนี่ยเราก็ไปสร้างพลังจิตบนเครื่อง mm. ก็เลย ไม่เหนื่อยเราคิดดูว่าสมัยก่อนนี้เวลาขึ้นเครื่องมาจากต่างประเทศอย่างอเมริกาอย่างนี้กลับมาอาทิตย์หนึ่งกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาพูดกับใครต่อใครได้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี่ยังงงเงงงงเงงอยู่อ <c oughs> แล้วก็เช่นเดียวกัน เวลาจากนี้ไปเอเมริกากว่าจะคุยก็เขารู้เรื่องเนี่ยใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งไม่งั้นแล้วก็นั่งเขียนหนังสือไปจับประกาอยู่ ด, ดีๆก็หายไปเลยไม่รู้หายไปไหนแสดงว่ามันยังไม่อยู่ในภาวะปกติแต่มาตอนนี้รู้วิธีแล้วขึ้น เครื่องก็นั่งสมาธิเลยเอากำลังใจลงมาจากเครื่องอสี่ทุ่มกว่าจะทำตะไลเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนจำวัดหลับมันเคยตื่นตีสามตีสี่มันก็ตีสามตีสี่ก็ต้องอหมายความว่าจำวัดสามสี่ชั่วโมง ก็เกิมาล้างหน้าล้างตาได้เวลาตีห้าครึ่งออกมารับแขกบโอ้โหดีใจนะวันนี้มาเจอลวงพ่อได้เขาว่าแต่เขาไม่รู้หรอกเรากำลังแย่นั่งว่าดีดีว่าดีก็ดีไม่ว่าเกินทีนี้ในขณะที่พักสามชั่วโมง แล้วก็เล่าแขบหมดวันหมดวันแล้วพอส่งน้ําเสร็จเดินมานี่มันก็เหมือน ก, นกันกับว่าเราไม่ได้ไปอย่างนั้นเหมือนกับเราอยู่ปกติมีอะไรก็พูดได้แล้วก็สังเกตดูว่าเราอ่านหนังสือสยรู้เรื่องไม่ก็รู้คุยกับเนนเนนก็บอกว่ารู้เรื่องแสดงว่าเรากลับมาร้อยเปอเซ็นต อาติสมานกายยังไม่ได้เที่ยวไปไหนกล <c oughs> ับมาคำเรารอยเพอร์เ <c> ซ <oughs> นต์มานั้นมาถึงวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องสมาธิเราพูดกันถึงเรื่องสมาธิตื่นเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจว่า สมาธิตื่นมีประโยชน์อย่างไรและสมาธิตื่นนี่มันอยู่ที่ตรงไหนมันคืออะไรสมาธิตื้นเนี่ยมันอยู่ที่เวลาเร า, เาทำงานเวลาเราอ่านหนังสือเวลาเราจะคิดการคิดงานอะไรต่างๆเนี่ยสมาธิจะอยู่ณนะที่นั้นใน เมื่ออยู่หน้าที่นั้นก็คือสมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสมาธิจึงได้แบ่งออกเป็นสอง เ, ออเป็นสองอย่างสมาธิมาโดยธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งสมาธิที่เราสร้างขึ้นมานั่นอย่างหนึ่งมีอยู่สองประการสองสมาธิอันนี้ก็เน้นเน้นให้พวกเราพากันจำให้ได้อ นีอย่างที่ในปัจจุบันเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้มาทำสมาธิอย่างเราเราทำเขาก็มีสมาธิอยู่แต่ก็คือสมาธิตื่นเขาก็ใช้เรียนเขาก็ใช้ประกอบสติปัญญาเขาก็ใช้ในการกิจการต่างๆปกครองบ้านเมือง หรือว่าใชในธุรกิจการใช้นั่นก็ใช้ได้แต่ต้องเข้าใจว่าสมาธิธรรมชาตินั่นอ่อมันมีอยู่แค่ห้าสิบถือว่ามากที่สุดแล้วมิฉะนั้นจะมีอยู่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้น ในขณะที่ว่าเขามีสมาธิอยู่ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาสามารถเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกสามารถปกครองประเทศสามารถคิดงานต่างๆอะไรต่างๆได้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิตื้นสมาธิตื่นนั่นเป็นสมาธิที่ใช้งาน เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเข้าใจอย่างเนี้เราก็จะรู้ได้ว่าเมื่อสมาธิตื่นหรือสมาธิธรรมชาตินั้นมีอยู่เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นหรือสามสี่สิบเปอร์เซ็นตอะไรก็สุดแล้วแต่บุคคลยังเหลืออยู่อีก5้าสิบเปอร์เซนตเนี่ย เป็นหน้าที่ของสมาธิที่สร้างขึ้นที่จะเติมให้เกิดถึงห้าห้าสิบเปอร์เซนตต่อมาแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าบุคคลเนี้ยสามารถที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาใหม่สร้างสมาธิขึ้นมาเพื่อที่จะเสริม สมาธิที่มีอยู่เก่าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างนี้อันจะทําให้เกิด้ความเฉลียวฉลาดหรือเกิดความมั่นใจหรือเกิดการตัดสินใจอะไรต่างๆได้ เ, เป็นอย่างดีเช่นอย่างว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งของสมาธิที่มีศักยภาพทําให้เกิดความอดทน ต่อความวุ่นวายในใจเพราะมีพลังงานชนิดหนึ่งที่จะต่อสู้ได้ทั้งนี้เนื่องด้วยความเป็นความที่มีความเย็นสามารถดับความร้อนอย่างไรก็ตามแม่จะดับความวุ่นวายสับสนไม่หมดไปเสียทีเดียวแต่ก็ถูกลดระดับลงไปทำให้เกิด ความยับยังช่างใจได้แม้ว่าจะเป็นสมาธิตื่นเพราะว่ามีพระสอบการและความชำนาญภายในสมาธินั้นมีอะไรหลายอย่างอันเป็นกระแสะแห่งความนึกคิดเพราะความนึกคิดในเวลาทำสมาธินั้นเป็นความนึกคิดแบบมีสติคำว่าสติหมายถึงตัวรู้ เป็นตัวติดตามกระแสแห่งความนึกคิดด้วยเหตุที่ว่าขณะที่ทำสมาธินั้นกระแสความนึกคิดถูกสติเป็นผู้ติดตามการติดตามของสตินั้นอย่างน้อยๆมีถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เราลองพิจารณาดูว่าเวลาที่จิตของเราเป็นสมาธิเนี่ย บอกว่าในนั้นน่ะในสมาธินั้นมีมากมายที่สุดก็เรียกว่าเหลือล้นในจิตของความเป็นสมาธินั้นเพราะฉะนั้นคนทำสมาธิบางคนเหาะได้บางคนรู้ใจคนอื่นบางคนรู้อนาคตบางคนบังคับจิตคนอื่นได้บางคนจิตตัวได้บางคนรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เพราะฉะนั้นในสมาธินั่นอ่ะยังมีมากกว่าที่หลวงพ่อพูดอีกหลายหลายเท่าอ่าคือยังยังมีอีกหลายเท่าแต่ในที่นั้นเนี่ยเรารู้มันไม่ได้เพราะสติเราตามไม่ทันเมื่อสติเราตามไม่ทันมันก็เป็นเพียงตะว่าผ่านแต่ถ้าหากว่าสติตามทันเนี่ยเราก็สามารถที่จะ จับเอามาเป็นประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ว่าถึงว่าผู้ที่ทำสมาธิเนี่ยจะมีสติตามกระแสกระแสของสมาธินั้นได้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นซึ่งทำให้เกิดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ไม่ทำสมาธิสติตัวนี้จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยเต็มทีหรือไม่มีเลย เพราะผู้ไม่ทำสมาธินั้นไม่มีเวลาที่จะมาติดตามกระแสแห่งความนึกคิดจึงเท่ากับเป็นการขาดประสบะการณ์คือการธรรมดาสมาธิธรรมชาติทั่วไปหรือว่าอย่างที่เรามีสมาธิอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่มีตัวรู้หรือสติเนี่ยเข้าไปตามค้นคว้าหรือคิด ในกระแสะของสมาธินั้นคือไม่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้วิธีการด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยก็ปล่อยเลยตามเลยถึงแม้ว่าปล่อยเลยตามเลยนั่นน่ะบางคนบางคนเขาก็ยังมีวิธีการหลายอย่างเช่นอาจจะเดาใจคนอื่นถูกมองสีหน้า หรืออาจจะเดาใจหรืออาจจะคิดการข้างหน้าหรืออาจอะไรก็ได้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากสมาธิอธรรมชาติที่เขามีอยู่ทั้งนั้นอคนบางคนอย่างนี้คิดได้อะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นในสมาธิเนี่ยจึงมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างถ้าหากว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเรามีสติแล้วก็ ดูในกระแสของจิตเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> แล้วทีนี้เรื่องจากผู้ไม่ทําสมาธิแต่มีปัญญาแก้ไขอารมณ์อันปัญญานั้นแม้จะแก้ไขได้ในหลายๆกรณีคือเป็นผู้มีปัญญาไว้ก็สามารถแก้ไขกระแสแห่งความคิดไปได้เหมือนกันแต่ต้องเข้าใจว่าปัญญาที่ขาดสตินั้น เป็นการแก้ไขแบบเปราะบางอย่างไรก็ตามหากผู้ไม่ทำสมาธิใช้ปัญญาแก้ไขแห่งอารมณ์ก็มีมากที่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าไอ้ความเปราะบางของอของสติเนี่ยมันสำคัญยิ่งเพราะว่าพอเวลานึกคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ย มันก็จะเกิดความหวั่นไหวเพราะเกิดความหวั่นไหวขึ้นมันก็เกิดความไม่แน่ใจเพราะไม่แน่ใจเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องของการเปราะบางจนหลอดจกนกระทั่ง เ, เมื่อจะทำให้เกิดความสำเร็จแบบสมบูรณ์แบบคือถ้าหากว่า จะให้เกิดความสำเร็จแบบสมบูรณ์แบบด้วยเหตุจนเก่าจึงจำเป็นที่จะต้องให้สมาธิมาช่วยรับภาระต่างๆที่จะต้องตัดสินใจดังนั้นสมาธิตื่นจึงมีบทบาทที่จะก่อความมั่นคงในอันที่จะดำเนินการนานับประการทีนี้ก็จะอธิบายอีกนิดหนึ่งแถมอีกนิดหนึ่งว่า การเดินยังกลมนั่นน่ะนั่นคือโดยจุดประสงค์เนี่ยไม่ต้องการสมาธิลึกต้องการสมาธิตื่นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคนที่มีความชำนาญในสมาธิตื่นนี่เวลาจะเอาไปใช้งานต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้อย่างสมาธิลึกนี่เราเอาไปใช้งานไม่ได้ เราจะต้องเอาสมาธิตื่นนี่ไปใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินจงกรมเนี่ยเราจะนึกเราจะคิดอะไรนึกคิดไปตามป ก, กติแต่เราก็มีความระวังระวัยคือมีสติคอยควบคุมอยู่เท่านั้น <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสมาธิตื่นนั่นส่วนมากมีการใช้มากอันที่เป็นพลังเฉลีย อันที่จะต้องใช้เราก็หมดไปจึงจำเป็นต้องทำสมาธิเป็นการเพิ่มเติมโดยหาวิธีทำสมาธิแบบง่ายๆถ้าเราไม่อยากจะทำมากก็ทำวิทิสาสมาธิครั้งละห้านาทีหรือว่าเมื่อเห็นว่าวิทิสาสมาธิห้านาทีน้อยไปเราก็ทำที่นาสมาธิครั้งละสามสิบนาที อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาที่ทาแต่ละครั้งนั้นจะถูกแบ่งไอ้พลังจิตนี้ออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังหลักส่วนหนึ่งเรียกว่าพลังเฉลี่ยพลังหลักนั้นจะมีอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซนพลังเฉลี่ยนั้นจะมีประมาณสี่สิเปอร์เซ็นอันนี้พูดถึงว่าในการที่เราจะ ทราบว่าพลังจิตนี้เข้ามาอยู่ในจิตใจของเราได้แค่ไหนเพียงไรวินาทีของการนึกพุทโธไปจงงนกระทั่งจิต ม, มันสงบจิตมันรวมลงไปอันนี้ถือว่าเป็นการทำสมาธิแต่ละครั้งและแต่ละครั้งนั้นได้เก็บพลังจิตนี้เอาไว้แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นแน่นอนส่วนสี่สิบเปอร์เซ็นนี้เกลียมไว้สําหรับใช้เขาเรียกว่า สมาธิตื่น <c oughs> ด้วยเหตุอย่างนี้ก็จะทำให้แม้จะลืมตาหลับตาก็เป็นสมาธิเวลาเดินจงกรมโดยมากจะเป็นสมาธิตื่นอบรมสมาธิตื่นความจริงถ้าเปรียบเทียบสมาธิตื่นก็เหมือนกับพลังงานที่ได้กาลังที่ได้กำลังใช้งาน การใช้งานนั้นเพื่อทดสอบสมรรถภาพเครื่องยนต์หรือการดำเนินงานของเครื่องยนต์นกลไกต่างๆแม่บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิสูงแล้วเวลาจะใช้ดำเนินวิปัสสนาก็ใช้ได้ถ้าจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับการสะสมเงินการใช้เงินการได้เงินมาโดยแสวงหาทรัพย์สินสมบัติ มากขึ้นมากขึ้นคือการสะสมสะสมได้มากเท่าไรก็ถือว่าดีการใช้เงินที่ถูกต้องก็ถือว่าดีสมาธิลึกซึ่งจึงเปรียบด้วยการสะสมเงินสมาธิตื่นจึงเปรียบเหมือนกันกับการใช้เงิน